เราไปติดตามประวัติชีวิตของน้องใหม่ในกลุ่ม GMM g MM r a m m y กรมีสังกัดคล้าย g กรม m ี่โกนะคะนั่นก็คือข้าวทิพทิดาดินค่ะเธอเป็นนักร้องที่มีแก้วเสียงเพราะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีชื่อจริงว่าทิดาดินหินอ่อน เกิดที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนา จ, จเจริญผลงานเด่นนะคะก็คือสาวหมอปลา ย, ยัางอายแล้วก็ไอ้า ย, อย่าเว้าเล่นสาวหมอลำสำมนยอยูย่ ก, กับเขาเหงาด้วยหรือไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงโหแบบดูแต่ละเพลงของนางนะแล้วก็มีผลงานเพลงมาตั้งแต่ปี2550 สี่นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนะคะข้าทิปเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลในสเสน่ห์ของผ้าไทยจึงได้ทำธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับผ้าไหมและผ้าฝ้ายด้วยเธอเข้ามาในวงการนี้ด้วยการประกวดน้องใหม่ไต่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่ราบสูงนะคะแล้วเธอก็จบปริญญาตรีแล้วนะคะ ผลงานเพลงเนี่ยเยอะมากเลยมีอัลบั้มเดียวอัลบั้มพิเศษก็เยอะร่วมงานศิลปินอื่นกับพวกสิริพอรอัมไพพงศ์ตักแตนชนระดาหรือว่าคือข้าวทิพทิดา ด, ดินอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงของคุณข้าวทิพทิดา ด, ดินนะคะในบทเพลงที่ชื่อว่า ไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงแล้วเดี๋ยวดีเจแอมจะเปิดหลายๆเพลงนะคะว่าจะมีเพลงไหนให้ท่านผู้ฟังมาติดตามกันบ้างอย่าลืมค่ะรายการของเรานอกจากจะมาแชรเกี่ยวกับประวัตินักร้องลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อชีวิตหมอลำกันแล้วนะคะเรายัางจะมาแชรเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจเกาเรื่องเส้นชามือชาเทา้า เ, เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงหรือโลกกระัยของคุณผู้ชายก็ฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามใน LINE a ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ไปฟังเพลงไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงของคุณข้าวชิปธิดาดินกันค่ะ คือวิเชียนนายวิเชียนสารารักอยู่บ้านเลขที่สามสามแปดทัแปดหมู่ส <3. S 2> ามสามแปดทับสามหมู่สี่ตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนะ ค, ะครสวรรค์ครับค่ะหมู่สี่ตำบลเก้าเลี้ยวอําเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์นะคะครับครับคุณวิเชียนคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไบส์เห็นบอกว่าแฟเป็นไมเกรนแล้วเป็นอะไรอีกคะผมแพ้ เป็นภูมิแพ้ไมเกรนแล้วก็ปวดปวดในกระดูกตามร่างกายแฟนเป็นมานานกี่ปีคะโอ้หลายปีครับประมาณส5ปีห้าปีเนี่ยค่ะแล้วเวลาแบบปวดขึ้นมาทีนี่เป็นยังไงคะก็แบบว่ามันมันปวดมากครับเดินไม่มีแรงเดินอ่อนทีเดินไปไกลๆก็ไม่ค่อยได้ ห, หิวน้ำ กินเน่ยขันใ ห, ใหญ่ๆเนี่ก็เที่ยวไปได้ครับจะปวดแขนยกแขนไม่ค่อยขึ้นงนั้ น, นอ่ะคือเรียกว่าเป็นหนักเนาะครับแล้วก็เป็นแล้วเคยหาวิธีการรักษามาก่อนหน้านี้ไหมค ะ, ะเคยครับที่โรงพยาบาลก็ไปแล้วก็ยาเคยกินหลายขั้นต้นแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับทีนี้มาฟังมุนไบจากทางวิทยุเนี่ย ก็พยาชาคล้ายๆแฟนผมเต็นอย่างนี้นฟังดูแล้วก็เลยเลยสั่งชุดใหญ่มาเนี่ยเมื่อวันได้เจ็ดวันวันนี้แหละครับค่ ะ, ะแล้วพอเร่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีอาการไมเกรนก็ดีขึ้นนะไม่ไม่ปวดหัวเท่าไหร่ปวดดีกว่ามากดีมากแลนะ้วแล้วก็ภูมิแพ้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะจามแล้วจะมีน้ำมูกไหลออกมาเยอะอย่างนั้นอนะ่ะต้องใช่ใ้าซับอยู่ตลอดนะ อแต่ก็ก็ดีขึ้นนะครับภูมิแพ้นะอืมค่ะแล้วเห็นบอกว่าแบบใช้น้ํามันเยอะมากเลยเหรอคะแล้วก็ทับใจในน้ํามันครับเพราะว่าพวกมันปวดตามหัวไหล่ตามขาตามสะโพกแล้วก็กน่องไปที่ปลายชะปลายเท้าอ่ะค่ะอ่าพอทาแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมคะอ่า ก, ก็ก็ดีขึ้นอนะ่ะแต่ที่น้ำน้ำมันมันเหลือนิดเดียวก็จะหมดแล้วก็เลยสั่งต่อค่ะ ว, ว่าทางทางเราขอคุยกับแฟนคุณพี่หน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะบฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณพี่คะเดี๋ยวคุนไบนะคะขอทําความรู้จักกับคุณพี่หน่อยค่ะให้แนะนําชื่อนามสกุลเลยค่ะอ่าจันชื่อรังแดงสอนคลังค่ะเห็นบอกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นแบบไมเกรนเป็นอะไรเยอะมาะะสี่ปีแล้วค่ะวด ปวดหัวมากก็ปวดหัวข้างเดียวค่ะตอนนั้นก็เริ่มเบาแล้วแล้ ว, ลวก็มันมีอาการจามเชามมา้ า, ม, า 4, 5, มืาาด<ะ>มราาประมาณถ้าตื่นมาตีสี่ตีห้านะน้ำมูกใสๆจะไหลหยุดเลยอ่ะอืมาจามแต่พออากาศใสยประมาณตีเจ็ดโมงเช้ามันก็หายอืมค<ะ>่ะก็เป็นอยู่อ่ะเป็นมาหลายปีแล้วอ<ะ>ืมค่ะถ้าเ บ, า, า, เ บ, า, า, เบ า, าเบาจามน้องเบาจามแล้วก็น้ำมูกก็ไหลน้อยลง แล้วอาการปวดหัวไมเกรนนี่คือใช้น้ํามันมุนไบแล้วดีขึ้นหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันก็ยังมันก็เบาปวดไปหน่อยมันก็ยังดนนานปวดห่างออกไปอืมค่ะราคาเขาก็ไม่แพงแล้วเนองคนดินแดนก็ถ้าเรากินถูกเงินไม่แพงหรอกอ่าหรับอ่าแต่ก็ดีกว่าตัวอื่นที่กินกินมาแต่ลองบางก็รักษาตลอดเ้าที่เป็นเบาหวานด้วยอืมค่ะอช่ค่ะแล้วก อืมค่ะแล้วคนที่เ อ, อ่อมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคือบางคนเนี่ยฟังฟังอยู่เขาไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะเราก็าไม่อยากจะลองอะไรอีกแล้วก็เลยไม่กล้าลองกับมูลไบรค่ะ่าดก็อยากจะให้ดาอยากจะให้ใช้ของมูลไบ์ตัวนี้เนาะที่เขากินเขาก็หายกันเยอะอันนี้มาลองกินแค่หกวันมันก็รู้สึกเบาขึ้นน่ะเาคิดว่าดีกว่าตัวอื่นเลถ้าอยากให้ทีกทินเรับฟังอ่ะ ใครได้ใช้ตัวนี้ไม่หลอกครับปิใช้ได้ของได้หกวันเนี่ยไม่หลอกจ้ะเห็นก็ได้นังน่งฟังทุกวันเนี่ยเห็นก็ปวดในตอนที่ไม่สั่งเพราะว่าตอไม่มีเงินแตนั่งรับจ้างร้อยเมล็ดกินทุกวันวันห น, นึ่งเนี่ยไม่เสี่ย ว, ว่าดูได้เลยจา้จาหมูสีเก้าเลี้ยวจ้ะทางรายการมุญร้ายนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิเชียนและภรรยาที่วันนี้ได้มาบอกเล่าเก้าสิบนะคะ ถือความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์ขอบคุณมากค่ะว้าขอบคุณพระเวันดีจ้าอ่ะอะขับรถอยู่หรือเปล่าค ะ, ะว่าแต่เมื่อยขาปวดหลังหรือเปล่านั่นแน่ระวังจะชาเท้านะจ้าหากอยู่ท่าเดิมนานๆจนเมื่อยขาปวดหลังชามือ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 1> 8 1ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดพี่กุลพูนเกษมค่ะมาเลขที่ส6มสิบหกหมู่สี่เก้าเลี้ยวค่ะตําบลเก้าเลี้ยวอำเภอ 9, เก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอะ่คุณพี่กุลเนี่ยรู้จักกับมูลไบรท์ผ่านทางใครคะ<อ> <No. S 2> ฟังวิญยุประจําค่ะ อ๋อแล้วมีน้องสาวน้องสะพายน้องสาวเขาสั่งซื้อด้วยน้องทะพายสั่งซื้อด้วยอ่าน้องสภพายก็คือคุณสุกัญญาบุญแฝงถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะคุณสุกัญญาเนี่ยเดิมเพอมาการที่เคยสัมผั์ไปก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็ตึงขามากอันนี้ก็หายแล้วก็เลยไปทำคุณพี่กุลค่ะเขากินร่วมกับแฟนเขาอะอืมค่ะเออแฟนเขาเป็นไมเกรนเขาก็หาย กินลูกกับแฟนแฟนไมคมเกนก็หายแล้ ว, ลวทีนี้คุณพี่กลนเป็นอะไรมาถึงได้สนใจมาใช้มูลบายจ๊ะก็เนี่ ย, ยมันปวดเวนเนบไปลงไปขานะนะมันมันกินแล้วมันหายอะที่รู้ที่แรกปวดเหมือนมันขับนะพอ่าได้ตอาทิตหนึ่งเบาเริ่มเบาอืมที่บอกว่าปวดเนี่ยเ็นบอกว่าปวดฝั่งซ้ายทั้งซีกเลยเหรอคะเออทั้งซีกเลย ปวดตั้งแต่ขาเน็บลงขาขาบางทีก้าวจะไม่ออกเพราะได้กินมูลไว้ไปนุ่อยค้งชั่วแล้วเคยรักษามาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยแล้วก็ทีวกกาาปวดมากก็กินพาราอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็ยังดีก็ปวดมากก็กินพาราก็ทนท น, ทนเอา <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอมารู้จักอกมูลไรก็เบาขึ้นเลยใช่ยาโนดก็ดีเนี่ย เดี๋ยวนี้อาการยังมีอยู่ไหมหรือหายไปหมดเลยใช่มันก็ไม่ค่อยมีเลยนะไม่ค่อยปวดเนี่ ย, ยเดินได้คล่องเลยตอนนี้อืมแล้วคุณพี่กุลมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบายยาบางคนฟังฟังก็บอกโอ้ยไอ้พวกที่พูด ก, กันอยู่เนี่ยหน้ามา้าไอ้ที่มันสัมภาษณ์พี่ยุอะไม่จริงหรอกจะบอก อ, อะไรกันหรอคะโอ้ยไม่ใช่หรอกเไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแล้วคุณพี่กุลจะบอกอะไรกับคนฟังตอนนี้คะ ขายยาขายเมื่อยหายปวดก็ลองลองดูได้อะของลองดูได้อ่ะมันไม่เสียหายอะ่ะแค่นี้เองโหเราร่างกายล้วดีเงินแค่นี้หาได้เนาะค่ะใช้แล้วก็เบาปวดหายเมื่อยและเห็นบอกว่าเออทางแฟนของคุณสุกัญญาเขาก็ปวดเมื่อยก็กินเป็นมาไมเกนก็หายใช่ไหม ห, หายหายเขากินกินหายเลยกินหายเลยอ่อค่ะ ราคาเป็นไงแพงไปไหมถ้าเกิดเราหายอย่างเงี้ยโอ้ยไม่แพงเนาะกินตั้งหลายวันอะอกินตั้งเดือนกว่าเนาะคุ้มคุ้มราคาเนี่ยอสินค้าราคาเล่นหวยงวดหนึ่งพันกว่าบาทเล่นได้โออจริงนะบางคนเนี่ยเล่นหวยงวนึ่งพันกว่าบาทแพงกว่านี้โอ้ยยังเล่นได้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันมีจุดที่น่าสนใจสําหรับท่านผู้ฟังอะค่ะคือบาง <c oughs> คนน่ะ ตอนนี้กำลังฟังวิทยุอยู่แหละแล้วเขาใช้มูนไบไปแล้วแต่เขาบอกว่าหูกันปวดมากเลยปวดจัดเลยอ่ะโอ้ยนี่แรกปวดมากปวดมากแบบเดินไม่ไหวเลยอะเขาบอกว่าปวดจนจะทิ้งแล้วไม่ใช้เลยอ่ะทนอดทนเอาไงเพราปวดมากๆก็กินพาราสองเม็ดตึ้งเดี๋ยวแกปวดอ่มันก็เบาคนนี้ก็เราก็กินเลยแล้วไม่ทิ้งอ DJM จะบอกกับุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ท่านไหนที่ปวดนะขอให้ทนค่ะมันจะปวดอยู่อย่างนั้นแค่อาทิตย์เดียวถูกต้องไหมคะทนอยู่แค่อาทิตย์เดียวแล้วหลังจากนั้นคุณจะค่อยๆเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นดีขึ้นสุดท้ายก็หายแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทนคุณทิ้งไปกลางคันคเหมือนคุณเล่นชักคายเอค่ะกําลังจะชนะแล้วอะแต่คุณไปปล่อยมือซะก่อนอะ่ะคุณก็แพ้ก็แค่นั้นก็ต้องสู้นะคะต้องสู้กันหน่อยอ่าแต่ว่ามันหายแน่แหละมันดีขึ้นนะคะ ค่ะทางรายการบุญร้ายนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่กุลภูลเกษมนะคะอาการเดิมก็คือปวดกระเบนเน็บฝั่งซ้ายทั้งหมดแล้วก็ตึงลำบากทางานก็ลำบากเดีวนี้หายหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ ะ, คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตัดคริว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 กัญญาแสงแย้มค่ะอยู่ตำบลมหาโพธิ์อําเภอเก้าเลี้ยวบ้านเลขที่สองสามห้าทับเจ็ดหมู่สามค่ะอายุหกสิบสามปีค่ะทิฉันทํามะลิอยู่ค่ะทํามะลิอยู่ไร่หนึ่งแล้วก็ต้องเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงหลานด้วยแล้วเหมนบอกว่าต้องแบกเครื่องขนย้ายค่ะเครื่องหนึ่งนี่หนักมากไหมคะยี่สิบยี่ห้าโลยี่สิบกลโลแหละทำอย่างนี้มานานกี่ปีคะผู้หลายปีเป็น ส60ปีแล้วมั่งเรียกว่าทํางานหนักมากก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไบรอ์อ่ะคุณการจนามีอาการเป็นอะไรมาคะที่แรกเลยฉันเป็นตะคริวแล้วก็นิ้วล็อกค่ะค่ะที่บอกว่าเป็นตะคริวเนี่ยตะคริวจับตรงไหนมั่งจ๊ะมันจับตรงที่แรกเลยมันเป็นมาตรงสะโพก ค, ค่ะที่สันหลังแล้วก็มันก็ลงไปที่นิ้วไงเวลาเป็นตะคริว้วนิ้วเขาก็จะบิดไง ช่วงปายนิ้วจากนิ้วมันจะมีนิปโป้แล้วมีนิ้วติ้วชีข้ของของของนิ้วเท้าข้างซ้ายอ่ะค่<ฮ>ะมันจะปีนขึ้นมาบนนิ้โป้เลยค่<ฮ>ะค่<ฮ> ะ, ะพอนี้พอนิ้วบิดแล้วเราก็จะต้องทําใจอะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราต้องรีบวางเครื่องก่ค่<ฮ>ะอย่างน้อยถ้าไม่งั้นเราก็จะล้มทันทีอ่ะอืมท่านผู้ฟังคะถือว่าหนักมากนะคะตรงระหว่างน่องแล้วก็วางหัวเข่าอ่ะเขาก็จะโบว์ทันทีเลยนะคะ เป็นมากี่ปีล้วคะเป็นเป็นยี่สิบปีแต่ละมั่งที่เป็นมาก็คือว่าทั้งหาหมอนวดทั้งทานย า, <ห>าชุดทาน<ห>ายาทุกอย่างแล้วไม่หายถูกไหมคะไม่หายแล้วแค่บรรเทาก็เบาเบาแต่ก็เป็นอีกแล้วก็นอนฟังเอฟเอ็มค่ะฟัง FM เม <หา S 2> แล้วก็ได้ยินหมุนใบมันตรงกับที่เราเป็น สองมุนไบร์นี่ของสมุนไพรนะคะเราฟังรู้นะเขาไม่มีอันตรายค่ะเขาไม่มีอันตรายเขาดิพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งเบาผิวนิ้วล็อกก็หายหอคือเขาไม่มีอาการให้เราเห็นอีกอะ<ห>เขาไม่มีอาการให้เราเห็นอีกแล้วตอน น, นตรงตรงนั้นน่ะนะคะค<ห>่ะจากท้องที่เราเคยอืด น, น่ะที่ยังอืด น, นะค<ห>่ะหน้าท้องเก็จะยุบมากเลย อ่าหน้าเหมือนไขมันไม่มีพูดง่ายๆหน้าขาแล้วเนี่ยหน้าขาสองข้างแล้วนะคะค่ะห้องน้ํำยังมีชักโครกหรือนั่งอย่างนั่งยองๆ อ, งอะ่ะค่ะถ้ายังนั่งยองๆก็เลิกคุยกันเลยต้องไปนั่งแล้วนั่งแล้วลุกไม่ขึ้นหน้าขาจะตึงมากแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะและนะ้นั่งพับเพียบนั่งคัตมาดยังไงก็ได้อ่อทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยตัวขาขาจะอ่อนหมดเนี่ยโอแสดงว่าแบบ มูลไบรท์ทำให้เส้นของคุณการจนาอ่อนลงทำได้แบบขาสมาธิทําได้หมดเลยนั่งอัดสมาธนั่งฟุกเขานั่งผับเพียบแล้วไหว้พาเนี่ยลูกสาวยังนั่งบนโต๊ะเลยไหว้พาเวลาผ่านหน้าบ้านอะ่ะแต่การเจนานั่งกับพื้นเลยนั่งผับเทียบกระพื้นเราดีใจที่เราทําได้ไงลู ก, กินด้วยลูกอายุแค่สามสิบแปดเองเนี่ยตัวอ้วนมากเป็นตุ่มเลยค่ะแต่กระแบ่งที่เขากินแต่เขาบอกหย่อนนะแม่หนุ่มหย่อนนะอัน อย่างเาูฟังฟังเนี่ยถ้าเดี๋ฟังดิฉันนะแล้ต้องรู้ว่าตัวเราเป็นอะไรถ้าแล้วเรารู้ตัวเราเป็นอะไรมันตรงกับเราไหมแล้วเราต้องกินกินทนกินไม่ใช่กินเม็สองเม็ดแล้วก็เลิกกินเนี่ยมันไม่ได้ผลอ่ะโอดิฉันีกินเนปวดหมดเลยเขาขาดอ่ะที่แรกอ่ะก็ดิฉันต้องอายุ ต, ต้องหกสิบสามเข้าหกสิบสี่แหละยวก็ต้องเลี้ยงตัวเองนะคะถึงเราต้องพึ่งตรงนี้อ่ะ หักไม่ทนนะไม่หายนะคะไม่ทนไม่หายหรอกคิดว่ากินนี่อะไรว่าวันนี้ไม่ปวดจังทิง้งอย่างนี้นมันไม่ได้ค่ะจริงราคานะำมันเขาไม่แพงหรอกคุมไม่แพงค่ะไม่แพงคุณกาญจนาค ะ, คะถ้าเกิดว่ามี ค, คนสนใจอยากจะสอบถามอาการของคุณกาญจนาเพิ่มเติมว่าเออตอนนี้เป็นยังไงดีขึ้นไหมขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเอ่ยได้คะ่ะเนี่ยติดติดโทรได้ค่ะศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าสามโทรมาเลย ค, ะค่ะเบอร์นะคะศูนย์แปดหนึ่ง หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าสามอ่าติดโทรตลอดเวลาคุณกากาจนาเดี๋ไล่ก็โทอคุยได้ไม่ต้องกลัวค่ะขอบคุณใครมา้ยยังได้เลยขอบคุณค่ะคุณกาจนานะคะที่วันนี้ได้บอกเล่านะคะความประทับใจแล้วถือว่า่ะเป็นบุญเลยแหละค่ะเพราะว่าคนที่เขาฟังอ่ะเขารอคอยความหวังอ่ะมีอีกเยอะค่ะขอบคุณคุณกาจนามากค่ะขอบคุณอาาจยค่ะจ้าค่ะสวัสดีค่ะ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 ส9มเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดบันเจิงบันเจิงนามสกุลค่ะอิมอวมอิ่มอวมค่ะบ้านเลขที่ค่คะบา้ายเลขที่หกอสองค่ะสองโมงหนึ่งค่ะขันดิ้งค่ะลคล ว, วันละกอนหวรรอำเภออะไรคะอ ำ, อำเภอกเกาเลี้ยว คุณป้าบรรเจิงจะทําอาชีพอะไรมาคะที่รับจ้างค่ะอ๋อทําอาชีพไปรับจ้างมันก็แบกหามยกของหนักนะป้าเนาะค่ะอ๋อแล้วอาการที่ป้าปวดเนี่ยปวดตรงไหนยังไงบ้างจ๊ะป้าปวดที่หัวเข่าหัวเข่าแล่นมาที่อืย่อี้ไอ้ขาขาขาใหญ่อะอ๋อปวดหัวเข่าแล้วก็แล่นมาที่ขาใหญ่โอ้ป้าวปวดอย่าง แล้วป้าปวดอย่างนั้นมากี่ปีจ๊ะ้สามปีสี่ปีใช่ไหมอะปวดสามปีสี่ปีโอ้ใแนนั้นปวดกทงานได้ยิงทำงนไม่ได้บาเป็นตเป็นข้าวตเตี้ยะอืปวดมาสามปีสี่ปีเนี่ยอาการเ้นป้าไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยออมาฟังปุ่ใบก็ก็กินมใบเนี่ย่วอือ ข้อ ย, ยังชวนนี่ตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้เลยไหมคะจากชุดแรกอ่แล้มันค้นคคล<ร>ิ้นทุกุใจ้<ห>ุกทุกใจแค่อทุกใมาเอทุกั้นค่ะแต่ซีนไปก็เหมือนปวดกาน า, างนั้นนะค่ะเหมือนปวดกล้เนืปวดปวดเนี้ยปวดแทบจะม่ได้ซีนล้วจวก็ห า, ดดา้วปวดจะีนได้น อืมย้งยจากฟังเคยอะไรละจะ ย, ย้ายหายทุกอย่าหมดแล้วอืมหายทุกอย่างเลยเดนหมดแล้อืมเรียกได้ ว, ว่าไอาที่ปวดตามเส้นตามอาการที่มีอยู่มันหายไปหมดเลยใช่ไหยคะอ่ะหายหมดแล้วอืมยังยเดินยังเดินไม่ค่อยคล อ, ง, องนั่นแหะอันเนี้ยอืมหรือแค่อย่างเดียวยเดินเดินไปก็เขาจะขาอ่อนล้มไปงั้นน่ะ แต่ว่าอาการที่ปวดตามเขา่าปวดตามขานี่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วค่ะค่ะคุณป้ามีอะไรจะฝากกับคนที่มีอาการแบบป้าบ้างคะเจ อ, อจะฝากว่า <c oughs> มันใบ่ะมัณใบ้อดีอยู่แล้วค่ะค่ะคุณป้าบัรเจรงอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้อายุ 5, 5, 5, 5. ้าหที่เอ5ห้าสิบแปดเนาะค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะค่ะทางรายการบุญไร้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบรรเจิงอิ่มอวมเป็นอย่างยิ่งนะคะหมตําบลเขาดินอําเภอเก้าเลี้อํจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบรรเจิงค่ะสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่าตักคริวนิ้วล็อก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 เพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไพร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ําสั่งชุดน้ำมันมูลไพร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม อำเภอเกลียวจังหวัดนครสวรรค์ตำบลเก้าเหลียวอํเาเภอเก้าเหลียวจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะอยู่ ห, หมู่อะไรคะหมู่หนึ่งค่ะหมู่หนึ่งนะคะจ้าอาการเดิมของคุณป้าก่อนจะมารู้จักกับมูลไบร์เนี่ยเป็นอะไรมาคะปวดทั่วข่ า, ขาวปวดหลังเป็นนิ้วล็อกแล้วก็เป็นปวดหลังปวดตรงคอเป็นหลายโลค ดี๋ยวนี้เบาแล้วค่ะเค่อยชั่วแล้วอือไอที่บอกว่าปวดเนี่ยปวดมานานกี่ปีแล้วคะป้าโอ้โหหลายปีแล้ถึงห้าปีไหมจากนั้นเนี่ยกกินยารักษามาเรื่อยมันก็ไม่หายแล้วทั้งมาเรื่อยนี่มันค่อ ย, อยชั่วอะไรเขาเขาเนี่ยอือไอที่บอกว่ากินยารักษามาเรื่อยเนี่ยหมดค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมโอ้เยอะค่ะทํามาหมดทุกอย่างแล้วไม่หายจ้ะ แล้วตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเจ็ดแล้วค่ะโหเจ็ดสิบเจ็ดอืมร่างกายก็อายุเยอะแล้วเนาะจะทําอะไรจะกินอะไรต้องระวังค่ะอืมแล้วตอนหลังเนี่ยมาใช้มูลไบรท์อาการดีขึ้นเดี๋ยวนี้อะไรบ้างที่เคยเป็นแล้วมันหายไปบ้างป้าเนี่ยข้อเข่าก็เบาไปมั่งแล้วแล้วมือยังไม่หายอ่าแล้วก็เบาต้นคอเบาไหมจะเบา แล้วไอ้ที่ขาชาตึงตึงปวดปวดอ่ะดีขึ้นไหมอ่าดีจะยังอีกข่าวนี้ยังยังขัดนิดหน่อยอืมเพราะว่าเพิ่งใช้ไปแค่ชุดเดียวเองอ่ะเนา ะ, เ, นะเพิ่งเริ่มชุดที่สองเองอ่ณาชุดสองอม่มันกําลังอยู่ในช่วงปรับปรับรบ่างกายอยู่แล้วคุณป้ามองว่าของมูลไบร์เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างคะแพงไปไหมไม่แพงเลยค่ะพอใช้ได้อืมจ้ะ แล้วบางคนเขากังวลบอกว่าที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยเป็นหน้าม้าอ๋อมันได้เป็นค่ะอืก็คือใช้จริงหายจริงใช่ไหมคะจริงทำจริงไงทำจริงจริงจริงจริงค่ะแล้วคนตายายเนี่ยค่ะอยู่สองคนตายายอยอยู่สองคนตายายเนาะค่ะค่ะทางรายการมูลไรท์นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าประชันอยู่สูงอยู่หมู่หนึ่งตำบลเก้าเลี้ยวอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์อาการเดิมก็คือปวดขาปวดเข่าแล้วก็ตึงต้นคอนะเดี๋ยวนี้ก็เบาหมดแล้วค่ะเหลือแหละเหลือแต่เขานิดนึงเนาะไกลหายแล้วไปมือหน่อยอ่าค่ะค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณป้าอย่างมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ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 ชาเท้าตามมาด้วยนะคะนั่นแหละค่ะคืออาการเบื้องต้นคือท่านเนี่ยเริ่มเป็นโรคเส้นจากหัวเขา่าแล้วก็แล่นลงมานะคะที่เท้าแล้วก็ข้อสําคัญก็คือใครที่มีปัญหาโรคปวดหลังนะ่ะให้พึงสังวรระวังไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยท่านก็จะเป็นโรคปวดหัวเขา่าหรือไม่ก็เป็นโรคชาเท้าตามมานะคะหลังนี่เป็นศูนย์รวมเส้นนะคะถ้าหากว่าเป็นโรคเส้นที่หลัง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 นั่นแหละค่ะก็คือท่านจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะคะหากท่านใดมีปัญหาโรคเส้นเนี่ยลองมาสั่งซื้อน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมูนใบและอาหารเสริมแก้เส้นของมูลใบให้รักษารีบตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมนะคะดีกว่าปล่อยปะละเลยให้มันเป็นมากขึ้นนะคะาหากท่านใดมีน้ำมันแก้ปวดเมื่อยมูลใบไว้รักษาเนี่ย ก็เท่ากับท่านมีหมอนวดประจําตัวเลยนะคะน้ำมันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยหมุนใบนั้นมีคุณสมบัติช่วยนวดเส้นเหมือนหมอจับเส้นยังไงยังนันเลยนะคะทาเพียงอย่างเดียวแต่รักษาโรคเส้นของท่านให้หายขาดได้นะคะและข้อสำคัญก็คอือราคาไม่แพงเลยนะคะชื่อนางนุชจูพุ่มบา้านเลขที่สามสิบเจ็ดชั้นสี่หมู่หนึ่งบลน้องเต่าอำเภอกะเลี้ยว อ่าอำเภอ 9, เก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะจ้าค <Yeah. S 1> ่ะเห็นบอกว่าพี่ชายชื่อคุณสมัยเด <Yeah. S 1> ี๋ยนะคะเออ <Yeah. S 1> ได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์มุนไบรท์แล้วอาการดีขึ้นเล่าให้ฟังก่อนคะ่ะว่าอาการของพี่ชายแต่ก่อนเนี่ยก่อนเลยอะ่ะเขาเป็นอะไรมาก่อนจะใช้มุนไบรท์เนี่ยแต่ก่อเลยอะ่ะเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลมาตั้งสองเดือนค่ะแล้วก็หายมาหายมาแล้วเขามาปวดขาเดินไม่ไหว ปวดกัะชาปวดชาตรงขาแล้วเดินไม่ไหวลดเวลาเดินเดินยังไงเดินกระเพกกระเพกหรอหรือยังไงเดินกระเพกกระเพกแล้วเขาไม่มีแรงขาเคยล้มเหมือนกันอ๋อเคยล้มมาอือจ้ะค่ะเดินกระเพกแล้วเวลาเดินนี่ก็คือเหมือนกับขนเจ็บเส้นเอ็นอะนะว่าไงไงนั่นไงเดินเอียงเอียงเดินเอียงด้วยจ้ะพี่ชายเป็นอย่างนั้นมากี่ปีคะเขาเพิ่งเป็นมายังไม่พอปีอ๋อเพิ่งเป็นมายังไม่พอปี แล้วพี่ชายก็มาฟังวิทยุแล้วก็มาดูจักรมูลไบรท์อ่าแล้วพี่ชายใช้มูลไบรท์แล้วเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกค่ะแต่เขากินเขาบอกเาก็กินดีแต่เวลาปวดเขาบอกใช้สเปรชาเ้าก็หายก็ว่าองนั้นอ๋อเวลาปวดเอาน้ำมันมูลไบรท์อ่ะสเปรมาทามาฉีดใชแล้วมันหายอ่าพอพ่นไปที่ตัวแล้วมันเบาออแล้วตอนหลังเนี่ยเห็นบอกว่าพี่ชายนี่ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้มูลใบแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันหายใช้ของของเขายังอยู่อยู่อ๋อยังอยู่เพราะว่าเวลาเวลาปวดเขาก็เอามากินนมตาอยู่อ๋อแล้วก็หายจ้ะอ๋อเรียกแค่ว่าผลิตภัณฑ์มูลใบนี่คือเหมือนกับว่าเอาไว้พกไว้ประจําบ้านเลยถ้าเขาเขามีก็ตลอดอ๋อถ้าปวดหรือว่าทรมายยังไงเขาก็ใช้อ๋อจ้ะถามคุณนุษนิดนึงอะค่ะว่าที่ว่าผลิตภัณฑ์มูลใบเนี่ยราคาสูงไปไหมถ้าเทียบกับที่พี่สายดีขึ้นนะ มันก็ไม่สูงอะนะคาะรักษาหายอ่ะโอ้ ม, มันไม่สูงค่ะ <า S 2> กับอไอ้ความปวดความอะไรนะเดีวนี้มันทรมาร์สกว่านี้เนาะไปซื้อหวยแพงวันนี้ใช่ไหมใช่ซื้อหวยแพงวันนี้ค่ะแล้วคุณนุชมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมที่อาจจะมีที่ชายหรือยศญาติที่ปวดแข้งปวดขาค่ะกระเดียกกระเมแ ม, ม่เขาก็จะลองกินนะแม่เฟนนะปวดเขาก็รักษามาทั่วหมดนะเ้าก็ เราบอกกับเขาเขาก็บอกเขาจะลองกินดูที่เขาก็ไปรักษาทั่วหมดเลยอืมรักษาทั่วมารักษายังไงก็ไม่หายอ่ะเนาะอ่าแล<ต>้าที่ชายอ๋อพี่ชายนี่โหเห็นเห็นชัดเลยอะ่ะคือแบบว่าปวดขาเดินเอียงแล้วเดี๋ยวนี้ยังเดินเอียงอยู่ไหมหรือดีขึ้นแล้วก็วเป็นเป็นบางครั้งนะแต่แต่เขาเขากินไปเขาก็หายเขาบองั้นเขหายปวดหายอะไรอ๋อหายปวดหายชาแล้วก็เดินดีขึ้นเดินดี เออเดินดีไม่เดินกับเพกกับเพกเดินเอียงมาสมัยก่อนไดม่ไม่กระเพกแกรอ๋อค่ะทางรายการมูลไกรนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณนุชจูพุ่มที่อยู่ตำบลหนองเต่านะคะอําเภอก้าวเหลียวจังหวัดนะครสวรรค์อยู่หมู่อะไรคะเนี่ยหมู่ที่หนึ่งอ๋หมู่หบ้านหนองแพ่งพวยอ่าบ้านหนองแพ่งพวยนะคะอ่าขอบคุณมากค่ะคุณนุชนะสวัสดีค่ะ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 มอนานวันเข้าเนี่ยหินปูนก็จะไปเกาะที่เส้นที่จมนั้ น, น, นก็จะทำให้เป็นมากขึ้นนะฮะและรักษาได้ยากขึ้นนะะเจ้าหินปูนเนี่ยเมือ่อเกาะตามข้อต่อกระดูกเนี่ยท่านก็จะมีอาการปวดตามข้อตามกระดูกด้วยน ะ, ะถ้าไปเกาะตามเส้น เ, เส้นที่จมที่ยึดอยู่แล้วเมื่อไปเกาะเข้าก็จะทำให้เป็นมากขึ้นด้วยนะะหินปูนนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่ทาให้กห่อให้เกิดหินปูนนะะอ่า มันอดไม่ได้ ท, ที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีหินปูนเกิดขึ้นนะะแล้วก็มันก็จะกาอให้เกิดเกาะตามฟันตามเส้นตามข้อต่อกระดูกได้นะคะล้างหินปูนของมูลไบเนี่ยนอกจากล้างหินปูนที่เกาะตามเส้นตามข้อต่อกระดูกได้แล้วเนี่ยยังช่วยลดเบาหวานได้ด้วยนะคะแล้วก็ล้างสารกายของท่านออกได้ด้วยนะคะสกัดจากสมนุนไพรหลายชนิดนะคะเช่นว่านรางจืดนะคะ คุณสมบัติช่วยล้างหินปูน ล, ล้างสารพิษนะคะลดเบาหวานแล้วก็มีสมุนไพรอื่นอนอีกหลายตัวนะคะาราคาไม่แพงนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0885453515ทวนอีกทีนะคะ0885453515หรือ0813946977 0813946977